่วันนี้เป็นวันสำคัญของเขตอำเภอนายยงน้ำโสมพวกเราคณะสงฆ์มีหลวงพ่อภูนาหล่าวเป็นประธานสงฆ์แล้วก็ได้พาลูกศิษย์ลูกหา้องน้องทั้งหลายตลอดถึงพี่น้องประชาชนจัตททยญาติโยมในกลุ่มของพวกเราการะวะครูบาอาจารย์ในท้องถิ่นวันนี้เป็นวันอุโบสถ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 ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าหากว่าผู้ที่กระดูกได้กลายเป็นพระธาตุไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากพระรหันตพวกเราก็เชื่อมั่นอย่างนั้นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่เป็นพระรหันตเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วเราก็ได้ศึกษาแนวแถวทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนก็ล้วนแล้วแต่เป็นศีลเป็นธรรมล้วนแล้วแต่เป็น เรื่องสมาธิปัญญาร้วนแล้วจะเป็นแนวทางที่จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอย่างบางครั้งอย่างลงตามหาบัวในยุคหนึ่งก่อนที่ท่านจะจุดตินิราานคนก็มีความสงสัยถามกันว่านิพพานเป็นอัตตานิพพานเป็นอนัตตานิพพานเป็นอัตตาน่คือนิพพานเหมือนกับสวรรค์ลงมาบอกกล่าวหรืออะไรกันได้ เป็นอัตตาเหมือนกับเหมือนตัวตนน่ะเหมือนกับเทวดาแต่ใจของท่านเป็นผู้บริสุทธิ์คือเหมือนกับเป็นอัตตายังรู้ได้เห็นได้แต่กลุ่มเรียนก็บอกนับนิพพานเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานอกเหนือจากสิ่งสมมติแต่เขากอามาถามองค์หลวงตาบอกว่าหลวงตา นี่ล่ะมีความเห็นแย้งกันทั้งสองอย่างนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาแต่หลวงตาประกาศว่าหลวงตาเป็นผู้หมดจดจากกิเลสหลวงตาเป็นพระรหันต์หลวงตาจะให้ความเห็นว่าอย่างไรในเรื่องสองคำนี้หลวงตาบอกว่านิพพานคือนิพพานนิพพานไม่ใช่อัตตานิพพานไม่ใช่อนัตตานิพพานคือนิพพานถ้าหากว่านิพพานเป็นอัตตาอ น, นั้นไม่ใช่แล้ว นิพพานเป็นอนัตตานิพพานยังเป็นไตร ล, ลักษ์ยกอยู่อันนีจังทุกขังอนัตตานิพพานยังเป็นไตรลักษ์ไตรลักษ์นี่เป็นกุญแจเป็นกุญแจที่จะเปิดประตูเข้าสู่พระนิพพานจะเป็นพระนิพพานได้อย่างไรเพราะไตร ล, ลักษ์นี่ยังเป็นไตร ล, ลักษ์อยู่อันิีจังทุกขังอนัตตาแต่นิพพานนั้นอยู่เหนือนอกจากอนัตตาสรุปแรกก็คือ ไตรลักษณ์อนิจางทุกขังอนัตตาเนี่เหมือนกับลูกกุญแจกุญแจเปิดเข้าไปตัวกุญแจเนี่ยคือเป็นไตรลักษณ์ลูกกุญแจคือเป็นไตรลักษณ์อนิจังทุกขังอนัตตาถ้าเปิดเข้าไปแล้วนั่นแหะนอกเหนือจากกุญแจเปิดเข้าไปแล้วคือพระนิพพานนอกเหนือจากสมมติทางหลายทั้งปวงไม่ใช่สมมุตินอกเหนือจากสมมุติ จนเรียกไม่ถูกว่าอันนั้นคืออะไรเจวันนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้หลวงตาท่านก็ตอบในลักษณะอย่างนี้แต่คนทั้งหลายก็ยอมรับว่าหลวงตาตอบ่ไม่มีใครคัดค้านที่ท่านหลวงตาได้ตอบนี่แหละถึงคราวจําเป็นมาหลวงตาก็ได้ตอบคําถามให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินแล้วก็เป็นที่สืงใหญ่แต่ทันทีก่อนที่ หลวงตาจะได้ตอบหรือว่าเป็นวิธีการแนะนำของหลวงตานั้นพวกเราจะยกตัวอย่างพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ได้ไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่โคลนต้นโพที่พุทธกยาเป็นเวลาทั้ง6ปีค้นคว้าศึกษาจนถึงวันเดือนหเพนวันนั้นพระองค์ได้ตัดจรู้พระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณ ก่อนหัวค่ำพระองค์นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้วาหายใจเข้าหายใจออกรั้วาหายใจออกให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่นั่งฟังอยู่เดี๋ยวนี้ให้สังเกตพระพุทธเจ้านี่คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ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 ยาดั้นพระองค์ก็ได้ญาณรัตนะตอนหัวค่ำเกิดฌานเกิดญาณรัตนะจะว่าปุเพเนวาสารุสติญาลำลึกชาติทนหลังได้นี่แหละคือคำหนึ่งแล้บอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกวิญญาณที่มีที่ไปที่มาใจของพระองค์พระองค์นึกย้อนหลังไปในอดีตเป็นร้อย้อยอยพันพันหมืนม่นืนแสนสนชาติได้ชาติไหนที่ได้ทาความดีความดีนั่นก็ จะมาส่งในภพชาติต่อไปทาสภพชาติไหนทากรรมชั่วกรรมชั่วภพชาติต่อมาก็วิญญาณก็ได้รับกรรมชั่วที่ตนเองได้กระทำไว้เป็นว่ากรรมโยนิกรมมพันธุกรมมปฏิสรโนเราทำกรรมสิ่งไหนกรรมดีและกรรมชั่วเราจะได้รับผลของกรรมนั้นอันนี้พระองค์ก็รู้ว่ามองดูแล้วรู้ว่า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 ทำไมจึงจนถึงขนาดนี้เพราะอะไรพระ อ, องค์ก็มองดูว่าเออกรรมกรรมของเขากรรมคือการกระทําในอดีตของเขาเขาได้ทํากรรมชั่วอย่างนั้นอย่างนั้อย่างนั้นมาชาตินี้เขาจึงได้รับผลอย่างนี้อย่างนี้เนทเท่าคนนี้เป็นยังไงคือจึงรวยแต่ไม่ใช่ฐานะที่จะรวยแต่เขาทำไมจึงรวยพระ อ, องค์ก็มองมองไปดูในอดีตของเขาอีกโอ้อันนี้เขาทํากรรมดีเขาสร้างบุญสร้างกุศล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 ในการเรียนหนังสือแล้วก็เคารพพ่อแม่พี่น้องเป็นเด็กดีสรุปแล้วต่อไปภายภาคหน้าเขาก็เป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆแต่เด็กคนไหนกเกเลเกิดขึ้นมาแกะเกล่าละลานนักเลงไม่ชอบฟังใครไม่ชอบฟังคำพ่อคำแม่พี่ป้าน้าอ้ออะไรตักเตือนกมอ็มีแต่ทางไปในทางที่ไม่ดีใหญ่ยยขึ้นมาก็ยิ่งเกเรขึ้นไปเรื่อยๆจนพี่น้อง กลัวกันทั้งหมดเพราะเหตุายเพราะเป็นคนชั่วมาตั้งแต่เด็กนิสัยไม่ดีมาแต่เด็กพวกเราดูซิว่าคนสองคนเนี่ยคนหนึ่งเป็นคนดีมาตลอดแล้วอนาคตของเขาไปยังไงเขาก็ต้องดีไปตลอดถ้าคนไหนที่ไม่ดีทาตัวไม่ดีมาในอดีตแล้วอนาคตไปยังไงอนาคตของเขาก่อพร้อมที่จะติดคุกติดตารางพร้อมที่จะเป็นนักโทษ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 จากนันท่านพอบวชเข้ามาท่านก็ได้เห็นพระอุปชาของท่านเดินจงกรมท่านก็ถามเอ้ท่านพระอุปชาครับหลวงปูท่ท่านเดินอะไรพระอุปชาก็บอกวิธีการเดิ น, ดนจงกรมให้จากนั้นพระอุปชาก็แนะวิธีการนั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุทโธในแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแต่ท่านก็ทำหลวงปู่หลวงตามหาบัวท่านก็ทํา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 แล้วก็ปล่อยไปเออสงบให้สง บ, สงบพ้ยเป็นอะไรเราจะตั่งภาวนาไปเรื่อยมันก็สงบท่านก็เลยให้ได้แนวความคิดว่าเออวิธีการนั่งภาวนานี่นะเราอย่าอยากให้มันสงบนะนั่งไปเรื่อยๆเหตุผลมันพอแล้วมันสงบเองหลวงพ่อกอเลยมาเปรียบเทียบก็ว่าอืมเหมือนกับพวกนักตีกอล์ฟของเขาเนะ่ะเขาจะพยายามตีให้มันลงหลุมอ่ะแต่มันก็ไม่ลงนะอแต่ถือเอาเถอะ เออลงก็ได้ไม่ลงก็ได้แต่เราก็พยายามทําให้ให้มันลงหลุมนั่นแหละ เ, เพราะมันหลุมอยู่ตรงนั้นเขากตรตีไปหาตรงนั้นพอมันได้จังหวะมันมันก็ลงป๊อกพอดีฮ ใ, ใจของเราในสมาธิก็ลักษณะอย่างนั้นแหละคือเราพยายามหาเหตุผลให้เพียงพอจากนั้นเราก็นั่งภาวนาใจของเราจะสงบนะท่านบอกว่าเมื่อใจสงบแต่ละครั้งมีความสุขที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตติสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้เราได้รับเป็นคำํำตรัสหรือเป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคําตรัสที่จริงๆถูกจริงๆมีความสุขจริงในจิตสงบอันนี้หลวงตาท่านก็นยอมรับจากนั้นท่านก็ไปเรียนหนังสือจบทั้งก็จบได้มหาป ร, ริญญาและทักษะเอกพร้อมกัน ท, ที่วัดเจดีหลวงจากนั้นท่านมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเมื่อเรียนจบได้มหาป ร, ริญญาสาม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 เราภาวนากรรมฐานอันไหนให้ยึดกรรมฐานนั้นเป็นหลักนะจากนั้นหลวงปู่มั่นก็สอนกรรมฐานภาวนาพุทธโธให้แต่ทีนี้หลวงปู่หลวงตามหาบัวท่านก็บอกว่าท่านภาวนา เ, าเพียงแต่ว่ากําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจเข้าออกหายใจเข้ารัวหายใจเข้าหายใจออกรัวหายใจออกอันนี้คือเป็นหลักที่ท่านภาวนามาก่อนเพราะท่านไม่ได้รับการ อบรมจากหลวงปู่มัน่นท่านได้รับการอบรมมาจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพุทธประวัติว่ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรั้วาหายใจออกจากนั้นท่าน ก, ก่อนที่จะเข้าไปหาหลวงปู่มัน่นท่านม า, มาทําทุระเสร็จแล้วท่านก็ใจของท่านเสื่อมท่านนะใจของท่านเสื่อมคลๆว่าสมาธิที่เคยได้มาแล้วมันหายเข้ากีบแมฆไปหมดทําให้จิตใจของท่านราร้อนอย่างมากที่สุด แต่ก่มีแต่ความร่มเย็นผ้าสุกแต่พอจิตใจเสื่อมเท่านั้นหละมีความทุกข์จากนั้นหลวงปู่มัน่นท่านว่าให้บริกรรมนะให้บริกรรมสำทับสำเข้าว่าหายใจเข้าพดหายใจออกโถหายใจเข้าพดหายใจออกโถให้บริกรรมพุดโถด้วยนะ อ, อ, อย่าไปปล่อยให้กาหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันหลุดได้ง่ายจากนั้นหลวงตามาหาบัวท่านก็ ตั้งจิตอธิษฐานเลยจะไหอคลายวันนี้นะฟังนั้นนะพาลูกพาหลานทั้งหลายทําอะไรทําให้จริงจังและจริงใจแล้วว่าตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าจะกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจะไม่ให้เผลอจะให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวเองตลอดไม่ให้เผลอคือตั้งสัจจะเลยจากทั้นก็กําหนดลมหายใจเข้าวริกรรมพดหายใจออกวริกรรมโทนั่งขัดสมาธิอ แล้วกว่าวิธีเวลาเดินจงกรมเวลาเดินจงกรมไปอยู่สุดทางจงกรมแล้วปนมือขึ้นระหว่างอกเนึกพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมคือไหว้ครูคือไหว้รวพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็เอามือลงจากนั้นเกิดขาขวาพุทขาซ้ายโถพุทโธพุทโธเวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทเวียงซ้ายโธคือพยายามในทุกอริยบทให้มีสติสัมปชัญญะ ในทุ ก, กระยะบทในการเคลื่อนไหวท่านบอกว่าสามวันแรกรู้สึกว่าโอ้โหหนักมากนะอันนี้ก็คือปฏิบัติเพราะนั้นเรื่องบังคับจิตใจไม่ใช่ธรรมดามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะนั้นเรื่องสติสัมปชัญญะในการดูจิตใจ จ, จุดนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนี่แหละคืออันนี้ก็คือองค์หลวงตาที่ท่านพาดำเนินแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์อื่น ท่านก็บอกกล่าวให้ภาวนาพุทธโธเป็นหลักเพราะกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านดำเนินของพระองค์นั้นพระองค์มีพระบรารมีเฉพาะพระองค์พระองค์แก่ข้าพระองค์กําหนดอย่างนั้นก็อยู่ได้แต่สำหรับพวกเราที่ภาวนานท่านว่าให้กําหนดพุทธโธเป็นหลักแต่ส่วนอื่นหลวงพ่อก็เคยบอกหลวงพ่ อ, อนเองนี่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 วิธีการทำอย่างนี้นะอันนี้้าพวกเราศึกษาในแนวแถวหลวงปู่มันเราก็น่าจะศึกษามอบกายถวายตัวหรือว่าเราศึกษาดูแล้วไม่ใช่นิสัยไม่ไม่ตรงกันแนวแถวสายหลวงปู่มันเราจะไปขยับไปศึกษาสายอื่นก็ได้ก็ไม่ไม่ผิดกติกาเพราะกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ทั้งสี่สิบอย่างกรรมฐานสี่แต่หลวงปู่มัน นำมาประยุกต์ใช้สองกรรมฐานคือพุทธโธกับอาณาปานสติบวกกันหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหลวงปู่มั่นนำมาใช้สองอย่างที่จะทําจิตใจให้สงบเรียกว่าสมถะกรรมฐานหลวงปู่มั่นนำมาใช้จากนั้นพระไทยหรือว่าใจของพระพุทธเจ้าสงบแต่หลวงปู่มั่นท่านบอเมื่อจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งี่แล้วเราได้อะไรเราภาวนา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 ถ้าคนไม่ขับรถคันนั้นก็ไปไม่ได้ถ้าหาว่าคนรถมันเสียโซโฟเวอร์จะมีฝีมือขนาดไหนขึ้นไปขับรถคันนั้นก็ไปไม่ได้เพราะน้ํามันมันหมดมันติดมันขัดพิดจึงเยอะแยะรถรถที่มันเสียมันมีหลายหลายเรื่องอย่างร่างกายของเราก็เหมือนกันเส้นเลือดไปอุดให้สมองออหัวใจอุดตันไตาวาย อะไรมีมากมายในร่างกายที่เราจะต้องตายเพราะร่างกายของเราเหมือนกับรถเหมือนกันเพราะนั้นโซเฟอร์ขึ้นไปขยับมันก็ขยับไม่ออกแต่ถึงยังไงก็เถอะร่างกายของเราเนี่ยหรือรถของเราเที่เราซื้อมาเนี่ยใหม่ๆหเอี่ยมเราก็วิ่งดีพอ ร, รถใหม่พอเราใช้มา10บ0ปีเข้าไปแล้วมันหลวมไปหมดขนาดเป็นเหล็กนะคณะสตราญาิโยมลูกหลานนะเป็นเหล็กนะมันยังหลวม ร่างกายของเราเนะี่ยเราเกิดมาจากท้องแม่เดี๋ยวนี้เท่าไหร่อย่างหลวงพ่ออินอายุ69ปีปีนี่นะ่ะเราใช้มาเราไม่เคยดับเครื่องเลยตั้งแต่เกิดมาหัวใจเรายังทำงานตลอดเปิดเครื่องตลอดขนาดนอนหลับเครื่องยนต์ก็ยังทำงานนี่แหละเปิดเครื่องตลอด24ชั่วโมงสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายไม่ให้มันชุดมันโสมได้อย่างไงแต่าขาดรถน่ย เวลาเขาเร่งวิ่งไปแล้วเขายังดับเครื่องยังปิดเครื่องไว้เวลาเขาจะจะใช้เขาจึงเปิดหรือสตาร์ทเครื่องแล้วคุวิ่งไปทํางานเนี่ยร่างกายของพวกเราเนี่ยไม่ให้มันสุดสมได้ยังไงอีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราเนี่ยจะต้องจอดละ่ะสิเนี่ยพอมันใช้งานไปนานไปอยู่ในพงหญ้าละ่ะเอาไปเข้าหงซุ้ยละ่ะเอาไปเผาไฟทิ้งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เผากันนี่แหละ คือร่างกายมันหมดสภาพแต่ใจของเราเนี่ยทีนี้ที่อยู่ในร่างกายโซเฟอร์เนี่ยสำคัญนะทีนี้โซเฟอร์นอยู่ในร่างกายเนี่ยตัวนี้แหละที่ว่าผีๆนะที่เราเขาไปเห็นผีน่ตัวนี้แหละคือตัวผู้รู้คือนามธรรมาคือใจตรงนี้แหละที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันออกจากร่างนะนะทีนี้พอออกจากร่างใจตรงนี้ได้สั่งสมคุณงามความดีอันไหนไว้บ้างได้สร้างบุญกุศลอันไหนไว้บ้าง โซเฟอร์เนี่ยนะเรียกว่าได้ขับรถออกมาจากท้องแม่แล้วก็มีแต่กินเหล้าเมายาเที่ยวตลอนตลอนไม่ได้คิดไม่ได้อ่านมีแต่ทามาค้าขายว่าตัวเองฉลาดหาเงินหาทรัพสมบัติเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวว่าตัวเองฉลาด เ, เป็นผู้มีปัญญาเพียงแค่นั้นยังไม่พอนะเราควรจะส่อแสหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจด้วยเพราะเหตุไร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 อยู่ไปนานๆเข้าก็แก่เดี๋ยวก็เห็นผมขาวเห็นก็เห็นฟันหลุดเดี๋ยวก็เห็นหนังเหี่ยวหูตึงผลในสุดก็ไม่ตายง่ายก็เดินไปที่ไหนใช้แม่เท้าหลังค่อมผลในสุดถ้าไม่ตายง่าย8 90ปีก็นอนกับที่แต่นีขยับขยื่นไม่ได้นี่ละ่ะร่างกายถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะมันอยู่ในสภาพอย่างนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า อย่าไปเลี้ยงเลี้ยงร่างกายเลี้ยงโอประมาณให้เลี้ยงจิตใจให้เลี้ยงโซเฟอร์สรุปแล้วการดูแลรถก็ดีดูแลให้ดีดูแลให้ดีดดพอสมควรแต่ให้ดูแลโซเฟอร์โซเฟอร์ในสําคัญถ้าว่าโซเฟอร์มีกิริยามารยาทที่ดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีศีล ส, สมาธิปัญญาโซเฟอร์ปฏิบัติธรรมมีคุณธรรมในจิตในใจเหมือนกับมีสมบัติ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 ก็พร้อมที่จะออกจากรถคันนี้พร้อมที่จะซื้อรถคันอื่นได้อีกดีกว่าเอาให้ดีกว่าเก่ า, าก็ได้เพราะอะไรเพราะโซเฟอร์อมีคุณภาพมีบุญกุศลมีสติมีปัญญาไม่ได้ประมาทเรามาเกิดทั้งทีเราก็มองดูว่าชีวิตของเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะ เ, เราไม่ควรประมาทนะโชเฟอร์ก็ต้องวางแผนอะไรทีนี้ วางแผนแล้วเราจะทํำยังไงเราจะสั่งสมบุญกุศลอย่างไงจะเข้าสู่จิตใจของเราเมื่อเราออกจากภพนี้ชาตินี้แล้วเราจะไปที่ไหนเราจะไปยังไงแอนโซโฟเฟอร์ต้องวางแผนถ้าพวกเราท่านทั้งหลายคณะสัตย า, าญาติโยมทั้งหลายนะ เ, เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่หาอยู่หา ก, กินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ได้วางแผนอนาคตของตนเองเหมือนกับโซฟเฟอร์ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้วางแผนพระพุทธเจ้า บอกไว้เลยว่าโซเฟอร์คนนั้นออกจากร่างไปแล้วไม่รับรองอาจจะเป็นหมูหมากาไก่เป็นสัตว์ทิรฐิฉานตกนรกหมกไม่ได้ง่ายๆเพราะเหตุไรเพราะโซเฟอร์ไม่มีการวางแผนอนาคตของตนเองเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานคณะสัทายาญาณโยมทุกหมู่เหล่าได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธทเจ้า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 เพราะท่านโซเพราะพระทัเจ้าให้ความสําคัญเรื่องโซเฟอร์มากกว่ามากกว่ารถท่านให้ความสําคัญถึงว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจท่านว่าให้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าโซเฟอร์ดีแล้วรถคันนี้ก็ดีไปตามถ้าโซเฟอร์เกเร เออเป็นหัวไม้เห็นใครขึ้นมาพอนั่งรถขึ้นไปก็เยียบด่าไปหมดเปิดแกด่าไปหมดเออไม่ควรจะบีบแกก็บีบแกดังสนัน่นบอลไว้ไปหมดคือโซเฟอร์ไม่ดีโซเฟอร์ไม่มีมารยาทแต้โซเฟอร์ดีแล้วต้องระมัดระวังที่จะไปชนไปเชียวไปเยียบสัตว์ทั้งหลายเออเพราะว่าโซเฟอร์มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนะโซเฟอร์ให้พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องโซเฟอร์มากกว่า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 หลวงพ่อเองบอกกล่าวอะไรให้ฟังอย่างหลวงพ่อแนะนําให้ฟังเลยนะให้พวกเราท่านทั้งหลายใช้สติใช้ปัญญาตามดูสิว่าเป็นความจริงไหมในเรื่องได้ยินได้ฟังมานี้วิเคราะห์ดูสินั่งสมาธิดูสิทําจิตใจให้สงบดูสิมันจริงไหมถ้ามันจริงก็เออศรัทธาเราบีเราก็เชื่อในเมื่อเราเชื่อแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามนั่นแหละหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นอัจฉริยะ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 แต่หลวงพ่อเพียงแต่ว่าเป็นผู้บอกกล่าวหลวงพ่อไม่ได้อะไรเหมือนกับหลวงพ่อชี้ให้พวกเราเออพวกท่านทั้งหลายนะทํานาอย่างนี้นี่ทําสวนอย่างนี้นะทาค้าขายอย่างนี้นะไ อ, อ้พวกท่านจะรวยนะแต่พวกท่านทั้งหลายทํามาค้าขายอย่างที่หลวงพ่อพูดเรืานั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งแล้วจิตใจมีสมาธิดีแล้วจิตใจมีหลักดีแล้วพวกเราก็คงจะอย่างมากกว่าโอ้ขอขอบคุณ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 ให้ปฏิบัติอย่างนี้นะลูกหลานนะคณะสัตยาติโยมนะในเมื่อพวกท่านได้บัตรอย่างนี้พวกท่านจะได้รับความสุขทางด้านจิตใจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะนรกสวรรค์มีจริงน ะ, ะถ้าว่าพวกเราปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้จะรู้แจ้งเห็นจริงจะไม่หลงโลกหลงทางะจะรู้จักวิธีการปฏิบัติกับ ต, บตนเอง รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักพระคุณของผู้มีอุปการะคุณคือพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายบงศาคณายาติญาติมิตรสหาเราจะรู้บุญคุณของท่านเหล่านั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, า, าติโยมพระเนนุ่งน้องหนุง่น ง, งทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นให้พวกเราเฟังแล้วก็สังเกตแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติสมบัติทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของ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 ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธอินสาธุ